วันสติคนนั้นจะน้อยกว่านี้เมื่อก่อนเลยว่าสาทิมัวจะถึงขอมาเมืองหลวเทวันเดียวคนน้อยไปเดือนแถมวันสุกไล้เดือวันนี้เป็นวันแถมนะให้ไม่เคยปฏิบัติเลยใช่ไห เรีนั่งทำบุญอย่างเดียวไม่ได้ภาวนามไม่ได้ปฏิบัติยอนะเมนะื่อยาหาญหนนะส่วนใหญ่ไปนัปฏิบัติธรรมาของพระ เ, รเจ้านะัน้นเราไม่ได้ปฏิบัติเราได้ประโยชน์ น, น, น้อยธรรมาของท่านเป็นของดีของพิเศษแต่จจดีย์จะพิเศษดีอยู่ที่ท่านยังไม่มาดีที่เรา เราต้องปฏิบัติคุณงามความดีเทาไรถึงจะเ้อ า, าอยู่ในใจเราได้การที่เรามาฝึกฝนปฏิบัติธรรมเลยเนะีเรื่องในใจขอเาเข้าถึงธรรมะไม่ใช่เรต้องการไปอยู่พิเศษพิสดาอะไรหรอกใจเรามีธรรมนะในใจมีความสุขความสบายมีความสงบ เมื่ใจไม่มีธรรมะใจร้อนไม่มีความสุขไ ม, มสไม่มีความสบายไม่มีความสงบธรรมะของพ ะ, ะเจ้าไม่ใช่ค่เรื่องทำานอย่างบางคนข้าวัดมาทาบุญททานอะไรทีาา่เหมือนกันแต่ว่าดีนีนิดหน่อยของดีมากกว่าการทำบุญทำทานยังมีอีกบาคนก็ามารักษาศีลบาเรียน ฝึกตัวเองให้มีศีลถ้าคนไหนมีศีลนะจิตใจมีความสุขมีความสงบคนไม่มีศีลไม่มีความสุขไม่มีความสงบลำพังการถือศีลก็เป็นบุญนะแต่ก็ยังไม่ใหญ่มากการทานรัางศาสีนะี้มีมากก ว, ว่าพระพุทธเจ้าอีกบางคนนที่นี้ศา ส, สนาพูเป็นเรื่องทำสมาธิ ก็นั่งสมาธิให้จิตสงบเดี๋ยกวราสายดื้อๆนะที่ก็นนะามาเปิดสอนันสอนคนฝลั่งพวกนี้สอนในสอนสมาธิแล้วก็นี้อยากได้ความสุขความสงบในชีวิตมหันนั่งสมาธิธรรมตดีไหมนั่งสมาธิตีเหมือนกันที่ยังไม่ดีที่สุดหรอกของดีในศาสนาพุทธมีมากกว่านี้ การทำตามการรักษาศีลการทำสมาธิมีมาก่อนพระพุทธเจ้าไม่มีพระพุทธศาสนาสิ่งเหล่านี้ก็มีอยู่แล้วถ้าเราได้รับประโยชน์จากศาสนาพูดแค่ทำตามรักษาศีลทำสมาธิจะว่ามันได้น้อยไดน้อยยังไม่คุ้มค่าที่พระพุทธเจ้าตรัสดูยังไม่ได้ของดีจริงได้ของดีแบบทั่วทั่วไปสาธารณะ คนอื่นเขาก็มีน้ำตาลสาราสีนั่งสนาธนิถ้าเราเป็นชาวพุทธที่แท้จริงเราจะหยุดตัวเองอยู่กับความดีเล็กๆน้อยๆพวกนี้นะยังไม่ดีไม่คู้ค่ากับการเป็นชาวพุทธที่แท้จริงสิ่งที่พระพุทธเจ้าวควผมนัคนหนึ่งคนไม่พรมนะที่เป็นศาสโดยเฉพาะของชาวพุทธเราคือเรื่องของการเจริญปัญญา การเจริญปัญญาเนะี่ยไม่ใช่เรื่องการนั่งคิดเอาเองเป็นศาสตร์ที่แปลกนะในการเจริญปัญญานะีถ้าพวกเราเจริญปัญญาไม่เป็นนะถึงเราจไปใส่บาตให้ตายเลยนะแล้วก็อธิษฐานทุกครั้งที่ใส่บาตขอให้ได้มาผล น, ผานิพพานก็ไม่ได้หรอกถ้าไม่ได้เดนะินปัญญานะไม่เจริญปัญญาไม่มีโอกาสเข้าถึงมาผล น, ผานิพพาน เมื่อคนที่ผ่านจิตใจเข้าถึงความบริสุทธิ์พราก็ได้เจ้าแท่นยำหนึ่บุคคลถึงความบริสุทธิ์ได้ด้วยปัญญาคําว่าปัญญาวิสธรปัญญาไม่ใช่ความฉลาดอย่างลบๆมันเป็นความรู้ความเข้าใจความเป็นจริงของสิ่งที่เรียกว่าตัวเราและเข้าใจสิ่งที่เรียกว่าตัวเรา <altogether> สิ่งที่เรียกว่าตัวเราประกอบด้วรยร่างกายจิตใจเนี่ย เข้าใจความจริงของร่างกายเข้าใจความจริงของจิตใจเข้าใจว่าองไรเข้าใจว่าร่างกายจิตใจนี้ไม่เทียบร่างกายจิตใจนี้มันถูกบีมคั้นให้แตกสลายอยู่ตลอดเวลาร่างกายจิตใจนี้มีเหตุเขาเกิดปวดเหตุก็ตับบังคับไม่ได้สิ่งทัางหลายทั้งวงเป็นไปตามเหตุไม่ใช่ตามที่เราสร้างนี่เรีมกว่านามธรร ปัญญาอย่างนี้เกิดขึ้นมันจะเกิดกระบวนการทางจิตที่แปลตระลาดมหาศัลที่สุดหนึ่ก็คือการที่จิตจะปล่อยวางความถือมั่นในกายในใจนี้ได้หรือเมื่อไรมันมีปัญญาเห็นความจริงว่าร่างกายนี้เป็นตัวทุกข์ล้วนๆเจตจะหมดความเึเถือร่างกายร่างกายเป็นทุกข์เจตจะไอนทําไมทุกวันนี้เราไม่เคยเห็นเลอว่าร่างกายเราเป็นตัวทุกข์ จร่งๆเราก็เห็นว้าร่างกองเราตูองบางสุขว่ารู้สึกไหมเดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกสุขสุขทุกทุกอยู่เมันวนไปวนมาแล้วก็อยากได้ความสุขอยากมีบำทุนความอยากเกิดขึ้นความติ้นหนทางใจก็มีขึ้นมาทุกคราวที่ความอยากเกิดความทุกทางใจจะเกิดนี่เป็นกฎของธรรมะนะทุกคราวที่ความอยากเกิดความทุกทางใจจะเกิดคนทั่วๆไปเขาไม่เคยรู <Week> ้ไม <Lau> ่เคยเห็น ศาสตร์อันนี้เขาคิดแค่ว่ามีความอยางเกิดขึ้นยังไม่ทุกต้องไม่สนอย่ากก่อนถึงจะทุกถ้าพวกเราภาวนาเป็นแล้วเราจะรู้เลยว่าแค่มีความอยางเกิดขึ้นความทุกข์ก็เกิดแล้วเวลามีความอยางเกิดขึ้นสบายใจไหมไม่สบายใจมันทีก็รุนใช่ไจะได้หรือจะไม่ได้ไม่เป็นคนสุขหรอกทันทีที่ความอยากเกิดความทุกข์ก็เกิดแล้ว ควาอยากเกิดเราะความไร้เพียงสาเพราะความไม่รู้ความจริงของธาตุขันของกายของใจเราไปเห็นว่าร่างกายของเราเนี่ยเป็นของดีของวิเศษเป็นของมีคุณค่ามากแล้วก็หวงแหนมากรักมากร่างกายแก่เราทนไม่ได้แล้วเพราะของดีมันแก่ร่างกายเจ็บเราทนไม่ได้เพราะของดีมันเจ็บร่างกายจะตายเราทนไม่ได้เพราะของดีมันจะตาย แต่ถ้าเรามาเจริญปัญญาเรามันคอยมีสติเรารู้ ร, ร, รู้ความเปลี่ยนแปลงของร่างกายไปเรื่อยๆเราจะพบว่าร่างกายไม่ใช่ของดีอย่างที่เราเลืดอนร่างกายนี้นเะต็ไมไปด้วยความทุกมีความทุกข์บีบคั้นอยู่ตลอดเวลาหายใจหอกก็ทุกข์นะหายใจข้าวก็ทุกขนะ์คนไม่มีปัญญาและไม่เคยเรียนรู้ตัวเองเนะี่ยเข้าไม่ถึงความจริงตัวนี้เราลองมาทดสอบว่าจริงหรือไจริง เราหายใจเข้าสิอย่าให้ใจออกนะเราหายใจเข้าไปให้นานที่สุดที่จะนานได้สบายไนหะ้ไม่สบายหายใจออกสิอย่าห้ใจเข้านะหายใจออกไปเรื่อยๆดูสิว่าสุขหรือถุกข์มีกวามสุขไหมทำไมเราต้องหายใจเข้าเพราะเราแก้ทูกขของการหายใจออก ทำไมเราต้องหายใจหออกเพาเราแก้ทุกของการหายใจเข้าดังนั้นจริงๆแล้วาหายใจเข้าก็ทุกขนะ์หายใจออกก็ทุกข์ถ้าหายใจเข้าก็ทุกข์หายใจออกก็ทุกข์ก็เรียกว่าเรามีความทุกข์อยในร่างกายเนี่ยทุกข์ลงหายใจเข้าขออกไม่เห็นจะสุขตรงไหนเลยทาไมเราต้องเปลี่ยนวิทยาบทนันน่งนานๆแล้วทนไม่ได้ต้องไปเดินต้องไปยืนหรือต้องไปนอนอีก เดินมากก็เมื่อยไปนั่งไปนอนแลาเพิธีที่จะบทโนกแก้ทุกข์นั่งนานานทุกหมนั่านนานทุกนอนนานานทุกแม่คืนหนึ่งเราลอาคลิกซ้ายคลิกขวาเนะหลายสิบครั้งสามสิบสี่สิบครั้งทำไมเราต้องนอนแล้วก็คลิกไปคลิกมาเพราะว่าร่างกายจะถูกความทุกข์บีบคันอยู่เนื้อถ้าเรามีสติ เราลึกลุย อ, อยู่ในร่างกายนะเราไปจะเห็นเลยโอ้ร่างกายนี้มีความทุกข์มีความันอยู่หายใจออกก็ทุกข์หายใจเข้าก็ทุกข์ยืนก็ทุกข์เดินก็ทุกข์นั่งก็ทุกข์นอนก็ทุกข์ร่างกายไม่ใช่ของดีของมิเศสเลยนะร่างกายเป็นก้อนทุกข์แท้ๆเลยแล้วก็เป็นแค่พัตถุมีธาตุไหลเข้ามีธาตุไหออกตลอดเวลาหายใจเข้าหายใจออกก็ธาตุมันหมุนไป เดี๋ยกินอาหารแล้กวก็ขับถ่ายฟาดถุงอุ่นเป็นแค่วัตถุเรื่องฟาดมันมีสติรู้ลงมาในร่างกายบ่อยๆเราไปถึง้เห็นความจริงในร่างกายเว่าร่างกายไม่ใช่ของดีของพิเศษอย่างที่เราเคยคิดเคยนึกร่างกายเนี้เต็มไปด้วยความทุกข์ร่างกายเป็นแค่วัตถุเป็นแค่ข้อท้า เมื่อเราครอยฝึกค er ่อยดูไปแล้ความรักความห่วงแหนในร่างกายในช้ะนอยลงน้อยลงจึงจ er ุดหนึ่งนะถ้าเราบรรลุธรรมะในขั้นที่เรียกว่าพระอนาคามีความรักความห่วงแหนความยึดถือในร่างกายนี้จะหมดสิ้นไปเมื่อเราหมดความรักใคร้ายห่วงแหนในร่างกายแล้วร่างกายเจ็บเจ็บร่างกายเจ็บใครเจ็บร่างกายเจ็บนั้นไม่ใช่เราเจ็บอีก ร่างกายจะแกะ่ใจแก่หร่างกายมันแก่ไม่ใช่ของแก่กต่อไปนะมันไม่ใช่ของดีร่ากาเป็นก้อนทุกก้อนทุกมันเ็ะเจ็บก้อนทุกมันจะแกะ่หรือก้อนทุกมันจะตายไม่เกี่ยวอะไรกับเราเลยใจจะไม่เข้าไปยึดถือเราเจ้าสอนธรรมะไว้อันหนึ่งนะน่าฟังมากเลยเพราะว่าคนทุกข์ไปเราเข้าไม่ถึงแล้วบอกที่ใดมีรักที่นั่นมีทุกข์ได้ยินไหม บางศาสนาเขาก็สให้มีความรักใช่ไหมที่ได้มีรักที่ไ่นมีทุกข์เราก็ะไรมาก้ที่สุดเรารักตัวเองมากที่สุดงั้นอย่างสาวๆนะถ้าใครมาบอกเราว่ารัเราที่สุดในโลกเนี่ยเขาโกหกนะเพราะสิ่งที่เขารักที่สุดคือตัวของเขาเองตอนนั้นเป็นที่รักที่สุดเลยแต่ว่าเรารักร่างกายแม่ร่างกายแก่ ของรักของพีของวิเศษของผ ง, งแหงแกงแหงประตูมันจะถูกขึ้นมาร่างกายซึ่งเป็นที่รักของเราเองมันเจ็บไข้ได้ป่วยเราก็ถูกร่างกายเป็นที่รักของเรามันจะตายเราก็ถูกเราติ้นรนแทบแย่เลยเนี่ยก็จะแ ม, ม้มันตายอย่างอุตส่าห์ดูแลมันอย่างดีเลยนหาอาหารมาให้มันกินนะหาเสื้อผ้าให้มันใส่หาบ้านให้มันอยู่ ดูแลมันอย่างดีเลยสุดท้ายมันก็แก่มันก็เจ็บมันก็ตายมันไม่ได้อยู่ใ น, นอำนาจของเราจริงแต่ถ้าเรามีสติปัญญาแนละ้วเราเห็นว่าร่างกายไม่น่ารักไม่นั่าห่วงแหนเป็นแค่วัตถุได้เห็นอย่างนั้นนะวัตถุมันจะแก่วัตถุมันจะเจ็บวัตถุมันไปเราจะไม่เดืดร้อนใจแต่ถ้าใจเรามีความรักในร่างกายมันมากห่วงแหนมากเป็นอะไรนิด้หนึ่งร่วมใจแนละ้ว เป็นตอนสาวๆาวเป็นสาวใหม่ๆสิวขึ้นร่วมใจไม่รือภูมกใจร่วมใจหรือภูุกใจตอแรกอาจจะภูุกใจเพาเป็นสาวนะแต่ว่าเออขึ้นใจเยอะไม่เอาแนละ้วไม่ชอบนะดินนน้นหนุนหาอะไรมาทานนะอยากเป็นสาวนะแต่กลัวเป็นสิวอยนี้นะใจจะเป็ น, อ ย, น, นอยากเป็นหนุ่มให้มาแต่กลัวแก่ แจกเต่เป็นหนุนได้มาตันก็แกขึ้นมาตระกัวสิ่งเค่มันต้องเป็นเนื่อถ้าเรามามีสตินะเคยรู้ความจริงในร่างกายบ่อยๆเยนะราจะเห็นว่าร่างกายไม่ใช่ของดีของพิเศษอย่างที่เราคิดหรอกเพราะความรักความผูกแผ่ในร่างกายลดลงความทุ่มเพราะร่างกายมัสจะลดลงเรารักอะไรมากเราจะทุ่มเพราสิ่งนั้นมากอย่างเวลาเราไปซื้อรถยนใหม่ๆสักคันใช่ไหม เมื่อเราเป็นตัวจริงไหมเกี่ยวเลยเราก็รุ่มใจมเสียไดย้ไม่สบายใจหรือซื้อบ้านมาใหม่ๆหวงมากเลยมีอะไรนี้หน่อยรุ่มใจไปเชาวบ้านก็อยู่เป็นครอยรุ่มนะมีซื้อบ้านอยู่รุ่มใจเอะไรเรื่องของเราเรารักมากรักอะไรก็ทูกข์ทรมานนะ เรารักผู้หญิงสักคนหนึ่งเราก็ทุกขร่องเขาเนะต้องไปออกใจเขาเหนื่อยนะต้องไปออกใจเขาเราเสียอิสรภาพไปด้วยชาติถึงรอดที่ได้มีรั ก, ท, รกที่นั่นมีทุกข์เราต้องไปยักรักใคลบ่วงแห่งสิ่งใดบ่วงแห่งยสิ่งใดมันจะเป็นภาระทางใจให้มาทั้งหมดเป็นทุกข์ขึ้นสิ่งที่เรารักที่สุดก็คือใจกับใจเราจะมาถอนความรัก ในกายในใจออกด้วยการเห็นความจริงของมันถ้าเราเห็นความจริงของกครของใจแล้วมันจะรัมันไม่ลงเพราะว่ามันเป็นตัวทุกข์ของจิตง้วเราค่อยมีสตินนะรู้สึกอยู่ในร่างกายบ่อยๆเห็นร่างกายมันทํางานไปเห็นร่างกายหายใจร่างกายยืนเกินนั่หลังมันมีสติค่อยรู้สึกอยู่เรื่อยสุดท้ายมือจะปัญญามันจะเกิดปัญญานะี่ก็คือการที่จิตมันเห็นความจริงอะไรที่เรียกว่าปัญญา วิธีให้เจปัญญาเนี่ยมีสาวิธีวิธีที่หนึ่งเป็นปัญญาจากการอ่านกาฟังอันนี้ไม่ใช่ปัญญาของเราเป็นปัญญาของคนอื่นอย่างพวกอาจารย์เก่งๆทั้งหลายนะหรือกระตั้งพระพุทธเจ้าสอนเราไปอ่านธรรมะที่ด้า น, นสอนหรือไปอ่านวิชาการทั้งหลายนักวิชาการคนพาศึกษามาเป็นปัญญาของเขานะเราไปแค่จา ปัญญาอย่างนี้ยังสูงก้กิเลสไม่ได้ไม่ทําให้หมดความรักกายรักใจได้จริงถึงเราไปหารพระไตรปิฎกนท่านสอนว่าร่างกายไม่ดีนะเป็นถูงหนังใบหนึ่งนะบรรจุของโสงโคร่งไว้ร่างกายนี่เป็นถูงหนังใบหนึ่งมีรูรั่วใหญ่ๆอยู่เก้ารูรูรั่วเล็กๆนับไม่ท่วนมีของโสงโคร่งไหลออกมาเป็นเนิ่ามว่าเราอ่านเราได้ยินนี่ถ้ า, าเราสุดปล่อยวางมันไม่ปล่อยหอก ก็อะไรปัญญาที่ทำมาพูดมันเป็นปัญญาของพระพุทธเจ้าไม่ใช่ปัญญาของเรายังล้างกิเลสไม่ได้งั้นความรู้ที่เกิดจากการอาร่านการฟังมันเป็นความรู้ของคนอื่นสู้กิเลสไม่ได้จริงเรียกว่าสุตตามยะปัญญาปัญญาจากการเรียนรู้ของคนอื่นปัญญาอีกชนิดหนึ่คือปัญญาที่เกิดจากการคิดวิเคราะห์วเองเรียกว่าจิตตามยายะปัญญา ปัญญาจะการคิดการวิเคราะห์ตัวเองก็เอามาสู้ี่เลสไม่ได้จริงเพราะเรานั่งคิดคิดที่ไหนก็จะมีมไม่อยากคัดเตี้คิดที่ไหนก็นรเรข้าข้างตัวเองทุงงงกที่เดี๋ยวกเราดูไหมว่าวันนึงเราจะต้องตายดูไหมอันนี้เชื่อไหมว่าจะตายวันนี้เป็นไปได้ไหมว่าจะตายวันนี้จะไม่เชื่อคิดเราได้ แต่ทางเลิศทาให้ใจสลดในสังเวกได้ว่าชีวิตไม่แน่นอนไม่เป็นหรรคปัญญาที่เกิดจากกคิดเอาลูกสู่กิเลสไม้ไหว ม, มันต้องใช้ปัญญาอีกชนิดหนึ่งปัญญาที่เกิดจากการเรียนรู้ความจริงของกายของใจเราทำตัวเป็นแค่ผู้สังเกตการเป็น observer เท่านั้นเป็นผู้สังเกตการ สังเกตอะไรสังเกตว่าจริงจริงร่างกายนี้เป็นอย่างไงจริงๆจิตใจนี้เป็นยังไงไม่ต้องจะสังเกตการกายกับใจได้เราต้องคอยรู้สึกกายรู้สึกใจไปเพราะฉนัขั้นแรกเลยก่อนที่เราจะมาเดินปัญญามาสังเกตการจริตใจของเราได้เนะีไยเราต้องไม่ลืมกายลืมใจตัวเองคนในโลกนี้น่ารักตัวเองที่สุดสิ่งที่เรียกว่าตัวเราคือกายกับใจแต่แผลงแป ล, ลว่าเราลืมกายลืมใจของเราทั้งวัน เรารู้เรื่องของคนอื่นนะั้มากกว่าเรื่องของตัวเองพวกเรากินข้าวคำแรกเริอตดูดนมครั้งแรกอายุเท่าไหร่ทุกวันนั้นเนละที่เกิดมาเขเริ่มดูดลงเลยทีเดียวจนตอนที้เรากินอะไรทุกวันทุกวันทุกวันหนึ่นนนงทีเท่าไหร่ก็เรารู้ไหมตอนที่เราเกินอาหารเนี่ยเราหายใจเข้าหรือเราหายใจออกเดี๋ยวเราไปดูนะ เรื่องของตัวเองไม่รู้หรอกจะรู้หมดเลยนะเรื่องของตัวเองใครทําอะไรที่ไหนเมไหร่รู้หมดเลยเพื่อพขอเราอย่างเราไม่เไหร่อยวเรานั่งเต่ยเวลาที่เราจะลุกขึ้นมายืนเนี่ยระบบเครื่อนไหวส่วนในของร่างกายก่นเคื่อขาเนี่ยื่อใจนะเค่องเดาย่าไหมอะไรก็่เราไม่เคยรู้สึกในใกายเราไม่รู้หรอกว่าอะไรเคลื่อนไหว่ เรื่องของตัวเองเราไม่เคยเรียนรู้เลยแต่ไปนี้น่าให้ความสนใจที่จะเรียนรู้ในใจในใจของทุกี่ให้มากเลยสัจรูของการที่จะรู้กายรู้ใจได้กคือความใจลอยรู้จักใจลอยไหมเม่อเหม่อไอเกตไม่เวลาเราเหม่อนะเราจคิดเรื่องโน้นคิดเรื่องนี้ใช่ไหมเวลาเหม่อเหม่อเวลาเราคิดเรื่องโน้นเรื่องนี้เรารู้เรื่องราวที่คิด แต่ขณะนั้นเรามีรา่างกายเราก็ลืมเรามีจิตใจเราก็ลืมนะเรียกว่าลืมกายลืมใจของเกวองในขณะนี้นท่านใจฟังหลวงพ่อนึกสิไหมมีรา่างกายเราก็ลืมมันไปนเ ร, ร, นะป ร, เรื่อยะมีจิตใจจะสุขดจะทุกข์จะดีจะชัว่วเราไม่เคยรู้เลยและสัตว์ประเวณีหนึ่งนะัของการที่จะเรียนรู้กายรู้ใจของตัวเองได้นะั้นความใจลอยนี่นะความไม่มีสตินีงเราต้องพยายามมีสตินะรู้สึกกายรู้สึกใจให้มากอย่าลืมม เรารู้สึกที่ร่างกายเรารู้สึกที่จิตใ จ, ใจบ่อยๆ ย, ยิ่งบ่อยยิ่งดีเนะนี่ยเห็นไนหะร่างกายไปยักหน้านะรู้สึกเห็นร่ากายเคลื่อนไหวร่างกายเปยักหน้านะี่เคยรู้สึกไปได้ถ้าเรารู้สึกอยู่ในกายบ่อยๆไม่นานเราก็จะเห็นในะร่างกายนี้มีแต่กุ้กนะทำไมเราต้องขยับไปขยับมาพวกเราที่มานั่งอยู่กันนั่งเนี่ยนะฟังหลวงพ่อพูดมาประมาณสิบห้านาทีเนะี่ย มีใครที่ยังไม่ได้เก่าเลยมนะั้งมีไหมมีใครที่ยังไม่ได้ขยับเอวเรื่องความเมื่อยขยับมากไม่ได้ในชะ่ไหมเรตกองขยี่บิดไ้บิดมานะทาไมต้องขยับขยับทไมต้องเก่าเลยมนะั้พามันทุกขนะ์นแต่เราลืมเวลาที่เรามีความทุกข์เกิดขึ้นในร่างกายนะแล้วก็เปลี่ยนอิริยาบถไปเลยขยับไปเลย เราไม่ทันเห็นเลยว่ามันถุกความทุกข์ผูกพันอยู่ถ้าเราดืงมันเราดึงร่างกายต่อไนี้พยายามรู้สึกในร่างกายบ่อยๆร่างกายมีอะไรเกิดขึ้นในร่างกายคอยรู้สึกมีความทุกข์เกิดขึ้นในร่างกายคอยรู้สึกให้รู้ซะ ก, ก่อนนะแล้วบให้เปลี่ยนยีเดบทเพราะว่ายิริยาบ ท, ที่เราเปเลเี่ยนไปเรื่อยๆมันติดบงังทำให้เราไม่เห็นตัวทุกข์ในร่างกายจริ เดี๋พอเราเว้ยุ๊บเราก็ค่อยหยับันพุ๊เราก็าาเก่ามันไม่ทด้เห็นเลยวนะ่ามันเป็นตัวทุกข์ยามมามีสติอยู่ในร่างกายบ่อยๆจะไปอะไรจะเห็นมีแต่ทุกข์ทั้งนั้นทุกข์เกิดทั้งวันเลยนั่งก็ทุกข์เดินก็ทุกข์นอนก็ทุกข์เลยกินก็ทุกข์นะทำอะไรก็ทุกข์หมดเลยไม่เฝ้าดูเฝ้าดูมีสติรู้สึกตัวม่เห็นร่งางกายมันทำงานไปเรื่อยๆเรื่องของง่ายๆ มาเรียนรู้ความจริงก็คือเรียนรู้ร่างกายของตัวอให้อยอต่อไปก็มาเรียนตัจิตใจด้วยจิตใจของเราเนี่ยนะจะมีความสุขบ้างมีความทุกข์บ้างมีความเฉยเฉยบ้างสลับกันไปตลอดเวลาจิตใจจะมีความรู้สึกเกิดขึ้นตลอดเวลาจิตใจก็เราจะมีความรู้สึกสามแบบถ้าไม่สุขก็ทุกข์นะไม่สุขไม่ทุกข์ก็เฉยเยมีสมแบบจิตใจพระอรหันตนะ์จะมีสองแบบ จะมีความสาุขกับมีความเฉยเฉยแต่จะไม่มีความทุกข์ในใจในใจนะก็จะมีความรู้สึกที่หมุนเวียนเรียนแฝงอยู่ตลอดเวลาเราไม่เคยเห็นนั่นเราก็ไม่เคยรู้ความจริงเลยนะวความสุขที่เกิดขึ้นในจิตใจของเราเป็นของชั่วคราวความทุกข์ที่เกิดขึ้นในจิตใจของเราก็เป็นของชัว่วคราวความเฉยเฉยไม่สุขไม่ทุกข์ที่เกิดขึ้นในจิตใจก็เป็นของชั่วคราวเราไม่เคยเห็นตัวนี้ เพราะวาเวลาความสุขเกิดขึ้นนะเราต้องมัวแตไปสนใจสิ่งที่ทําให้เรามีความสุขอย่างเราเห็นสาวสวยเดินมานะใจเราชอบใจเรามีความสุขขึ้นมาแต่เราไม่เคยเห็นว่าใจกําลังสุขอยู่แล้วก็มัวแตดูสาวอยู่อเริกาเนี่ยยังขับรถแอปไว้นะถ้วไปอยู่เมืองไทยนะครับตอนเนี่ยเดี๋ยวก็ตรนปากนตัดหน้าตัเนี่งนะ เวลาคนต้องขับรถปานหน้าเร า, เราโกรดใช่ไหมโกรจเนี่ยเราจะไม่รู้ว่าใจกาลังโกรธนะแต่เราจะไปดูให้คนที่ขับรถปานหน้าเราหรือใครเขาว่าเรานะเราจะสนใจเขาเราจะไม่สนใจใจของเราเ อ, ง, อางเขามาว่าเราเราจะสนใจมุงจะว่าเราเรื่องอะไรว่ายางไสนใจเขาเราจะไม่ไม่รู้ทันออกมาที่ใจของเราใจกาลังกลธอยู่เราไม่รู้ เรามสนใจในรูปที่เรามองเห็นเราสนใจในเสียงที่เราได้ยินเราสนใจในกลิ่นที่เราได้ได้กลิ่นเราสนใจในรถทีลิ้นเราได้สัมผัสครับเราสนใจสิ่งที่มากระทบร่างกายเราสนใจเรื่องราวที่คิดทางใจเราไม่สนใจในตาหูจมูกลิ้นกายใจของตัวเองความนั้ไม่ได้สนใจตัวเองสนใจสิ่งอื่นมากกว่าตัวเอง วันวันหนึ่งเนี่ยเราดูตัวเองมากแค่ไหนแต่เอดูคนอื่นมากแค่ไหนเราดูคนอื่นเยอะใช่ไหมบางคนต้องมันแทบไม่ดูตัเองเลยอย่งางนักสองสระจกเลยสองกระจก็ไม่ได้ดูตัวเองหรักนะดูหน้านะหน้าไม่ใช่ตัวเราหรอกหอันะวหน้าเป็นนะ ด, ดูอะไรดูรูปจนเราไม่สนใจไม่สนใจตัวเองเราสนใจสิ่งอื่นตะลอดเวลาเรื่องค่อยๆย้อนกลับมาแนะ้วมาสนใจ ในร่างกายในจิตใจของเราจริตใจของเราเป็นสุขก็รู้เป็นทุกข์ก็รู้เฉยๆก็รู้สิ่งที่เกิดขึ้นในจิตใจนอกจากสุขทุกข์เฉยๆก็ยังมีอีกก็คือมีความดีกับความชั่วเกิดขึ้นเวลาอย่างฟังธรรมะเนี่ยใจเป็นกุศลนะอย่างฟังธรรมะเอามานั่งฟังธรรมะหน่อยอยากกลับบ้านอีกแล้วนะใจขี้เกียจฟังขี้เกียจ ใจเราคลิกไปพลิกมาเดี๋ยวก็เป็นกุศลนะเดี๋ยวก็เป็นหนักกุศลหรือบางคนเราตั้งใจจะไว้พระชวนวนทุกวันก่อนมอนบางวันก็ขยัจนจะสวดได้นะเพราะมันขี้เกียจติดไวก่อนให้ใครติดไว้ก่อนล้งวงสนะารภาพนะและ้วก็เกิดอะไรให้พระช่วยเนาะเดี๋ยพรก็บอกเห็นไม่ต่อยม เวลาที่เราที่จะทำความดีบางทีก็ เ, เปลี่ยนใจใช่ไหมทำไปไม่ตลอดบางทก็ เ, เิไม่เด็ดเดียวอย่างเช่จะมาฟังหลวงพ่อปาโมเท็งโอ้นานจะมาสนานนะาอัอทีเนี่ยนานะชาติเพิ่งมาทีเนี่ยนานถึงมาสถทีตั้งใจจะมาฟังครับเมื่อวานรติดเอาอีกกับบ้าน ใจที่เป็นกุศลนะอยู่ชั่วคราวแต่อกุศลเรกินเหมืีเกียจแล้วเดี๋ยวกลับมาเนื่องกุศลจะที่ในใจเราแล้วก็ชั่วคราวก่เลสจะในใจเราชั่วคราวหรือถาวรั่กรธชั่วคราวใช่ไหมรอดก็ชั่วคราวใช่ไหมโลงก็ชั่วคราวฟุ้สซ่านก็ชั่วคราวใช่ไหมปวดหัวก็ชั่วคราวเนื่องไม่ว่าจะสุขจะทุกข์หรือจะดีจะชั่ว ที่ผ่านเข้ามาในใจเราเป็นของช่วงคราวทังสิ้นเลยแต่เราไม่เคยรู้ไม่เคยเห็นไม่เคยยอมรับอยางนี้เราไม่เคยยอมรับเลยนะว่าความสุขที่ผ่านเข้ามาในใจเราเนี่ยเป็นของชั่วคราวแต่เราอยากให้ถาวรรู้ไหมทุกวันนี้ที่เราดิ้นร่อน้างอยู่ตลอดเวลานะเพื่ออะไรเพื่อแสวงหาความสุขนะทําไมต้องแสวงหาความสุขมากนัะเพราะเราไม่เคยเห็นว่าความสุขเป็นของไม่ถาวร ถ้าเรามีสติรู้ทันอยู่ในใจเราเรื่อยๆเราก็จะเห็นว่าความสุขก็เป็นของชั่วคราวความทุกข์เองก็เป็นของชั่วคราวนะความดีหรือความชั่วก็เป็นของชั่วคราวเนี่ยคอมีสติรู้ทันอยู่ที่จิตใจนี่จะเห็นแต่ว่ามีแต่ของชั่วคราวทั้งสุขทั้งทุกข์ทั้งดีทั้งชั่วเห็นซ้นแล้วซ้ำอีกไปเรื่อยๆเหมือนที่เราเห็นในร่างกายเนี่ยร่างกายนี้มีแต่ตัวทุกข์ นั sea, sea, ite, ่อยู่ก็ทุกยืนอยูก็ทุกเดินก็ทุกนอนก็ทุกหายใจออกก็ทุกหายใจเข้าทุกถ้ามาดูจิตใจไม่ได้ของไม่เที่ยมแต่ของชั่วคราวสุขก็ชั่วคราวทุกก็ชั่วคราวดีก็ชั่วคราวชั่วก็ชั่วคราวให้ใจเราเห็นตรงนี้จะเรายอมรับตรงนี้นะความที่รุนที่จะแสวงหาความสุขเนี่ยจะลดลงความที่รุนที่จะปฏิเสธความทุกข์เนี่ยก็จะลดลง ความหิวโวยความดีหรือความเกลียดชังความชั่วก็จะบะงมทุกคราที่เกิดข้าวบวกข้าวลบขึ้นในใจเราใจจะเกิดการดิ้นรนใจจะไม่เห็ดมันจะมีแรงตัดกันขึ้นนัมีข่าวบวกตักันก็ได้และมีข้ารวมาทํากันได้ใจจะดิ้นทุกคราวที่ใจดิ้นรนความทุกข์ทางใจจะเกิดขึ้นมีภาระทังใจจะเกิดขึ้น เวลมีความสุขเราคิดว่าเป็นของดีใช่ไหมเราอยากให้ความสุขอยู่นานๆไหมันอยู่นานไหยความสุขสร้างเสมอความทุกข์รู้ไหมว่าช่วงคราวอยากให้หมดเร็วๆใช่ไหม่เราเนี้ยจะติดขามบวกข่าลบตลอดเลยอันนี้พอใจอันนี้ไม่พอใจเพราะว่าเราพอใจในความสุขอยากให้มันอยู่นานๆเพื่อปลุกใจนะบางคนจะมีนิสัยประหลาดเลย ไม่ว่าประสบความสำเร็จในชีวิตหือว่าได้อะไรดีดๆมาลึกๆลงไป น, นะมันจะหวาบบนระแวงมากไม่นานมันก็จะหายไปใครเคยเป็นอย่างนี้บ้างทั้งๆที่มันยังอยู่นะก็กังวลใจแล้วว่ามันจะหายแนละ้วความทุกข์ก็เข้ามาเพราะว่าอะไรยอมรับความจริงไม่ได้เมื่อความสุขเป็นของช่วคราวเวลามีความทุกข์เกิดขึ้นนะ่อยากให้หายเร็วๆนะ รู้สึกเความทุกข์แนะ่ยาวไปเสมอเลยความสุขและสร้างเสมอความทุกข์ก็ยาวเสมอเลย ท, าทา้าถ้าที่ความสุขก็อยากพอดีพอดีความความทุกขก็อยากพอดีพอดีมีเหตุแค่นี้นก็ได้ผลแค่นี้แะทั้งสุขทั้งทุกข์แนตะ่ว่าใจเราไม่ออกใจเราปฏิเสธอยากให้มันหมดไปเร็วๆเวลาที่เรามีความทุกขเกิดขึ้นนะแล้เราอยากให้ใหายทุกขนะ์สังเกตแล้วว่ามันทุกข์มากกว่าเก่า ถ้ามันมีปัญหาเกิดขึ้นในชีวิตแล้วก็สร้างความทุกข์มาส่วนหนึ่งแล้วนะเราอยากให้ปัญหานี้หายไปมนะันสร้างความทุกข์ซ้อนเข้าไปอีกตัวหนะึ่งความทุกข์เลยซ้อนซ้อนซ้อนลงไปเรื่อยทุกข์มากบางคนไม่สบายนะในเมืองไทยตอนนี้คนเป็นมะเร็งเยอะนะสิ่งแรกเราไม่ค่อยจะดีเลยตอนนีเป็นมะเร็งมากบางคนสาวสามหนุ่มหนุ่มท่แข็งแรงดีเด็กๆร่างกายเป็นมะเร็ง น, นะ ครับเป็นมะเร็งนะนะเพราะว่าส่วนเป็นมะเร็งขั้นที่หนตกใจนะนะรุ่มใจมากกินไม่ได้นนลำไม่ลำไม่นานก็ตายไม่ตายเพราะมะเร็งนะแต่เพรุ่มใจเฉาตายนะหรือข้าราชการนะคนใหญ่คนโตเขาเกษียณสามสิบกันยาทุกปีมีคนเกษียณเขาตรวจสถิติไปเลยนะคนใหญ่คนโตเกษียณเนนะี่ยตายเร็วนะเฉาเฉาตาย ก็เลยอมรับความจริงไม่ได้ว่าทุกอย่างเลยชีวิตเราเป็นของชั่วงคราวชื่อเสียงเกียรติยศตำแหน่งหน้าที่การงานทุกของช่วงคราวเลยอยากให้มันถาวรแล้วเสร็จแล้วมันทนไม่ได้มันไม่ถาวรใจยอมรับความจริงตัวนี้ไม่ได้ใจทุกข์มาทนไม่ได้ที่หนักก็ตายถ้าเรามามีสตินะรู้สึกอยู่ในจิตใจของเราบ่อยๆหรือรู้สึกในร่างกายบ่อยๆจะเห็นว่ามันเปของช่วคราว ร่างกายก็มีแต่ทุกข์จิตใจก็มีแต่ของชั่วคราวความสุขก็ชั่วคราวความทุกข์ก็ชั่วคราวอะไรๆที่เกิดขึ้นในใจเรานี่ชั่วคราวทั้งหมดเนั่นถึงจุดหนึ่งนะจิตมันจะยอมรับได้ความสุขเกิดขึ้นนะจิตจะไม่หลงยินดีความสุกขเกิดขึ้นจิตจะไม่หลงยินร้ายกุศลเกิดขึ้นจิตก็ไม่หลงยินดีนะนอกกุศลงเกิดขึ้นจิตก็ไม่ได้หลงยินร้มันจะคำว่าสักว่ารู้สักว่าเห็นมังจะเกิดขึ้น เมื่อใจเนสตก็รู้ว่าเห็นจะยอมรับสภาวะที่กำลังปรากฏต่อหน้าต่อตาได้เมื่อใจยอมรับสภาวะที่กำลังปรากฏต่อหน้าต่อตาได้นสภาวะนั้นจะหายไปใจขาไม่หวั่นไหวสภาวะนั้นใจตั้งอยู่ใจขาไม่หวั่นไหวใจจะเข้าสู่ความเป็นกล า, นะางไน่แทนจริงความทุกข์ทางใจเนเกิดจากเรายอมรับสิ่งซึ่งเป็นธรรมชาติธรรมดาที่กำลังปรากฏอยู่ตรงนี้ไม่ได้ อย่าเราอยามาราอมรอับไม่ได้ว่ารต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายเรายอมรับไม่ได้ว่าวันหนึ่งนะเราจะต้องทรัดกรลากจากคนที่เรารักเราอยอมรับไม่ได้ว่าในชีวิตเราเนี่ยต้องเจอคนที่เกลียดบ้าเราอยอมรับไม่ได้ว่าความอยากทั้งหลายเนนะี่ยบางทีผสมผังบางทีก็ต้องผิดบวังบ้างตรงที่อยอมรับไม่ได้นะใจเรามันทุกข์มาก ถ้าเราอยอมรับในทุกสิ่งทุกอย่างที่กำลังปรากดขึ้นต่อนหน้าต่อตาได้ใช่จะเป็นกลางนะใ จ, จะเป็นกลางใจจะไม่ทิ้นรนนะใจจะไม่ทิจจ้งรนนะใจจะไม่ถูกเพามันเป็นกระบวนการทํางานของจิตพระพรุทธเจ้าเนี่ยสอนกระบวนการทํางานทางจิตใจไว้เยอะมากเลยเป็นสารที่ละเอียดลึกซึง้งมากเลยทุวันนี้นะพวกจิตตแพทย์เนี่ยมาเรียนกับหลวงพ่อเยอะมากนะจิตแพทย์เนี่ยมาเรียนกับตาเนี่ย เราะว่าศาสนาพุทธทีพ่พระเช้าสอนอะไรนี้มีเรื่องของจิตใจมหาสานเลยมีเรื่องขบวนการทํางานทางจิตใจมากมายแล้วเข้าไปเรียนนะผมคนจิตแพทย์าบางคนนะรักษาคนไข้รักษาเท่าไหร่ก็ไม่หายสุดท้ายใช้มาตร ก, การเด็ดขาดขั้นสูงสุดแจกซีดีหลวงพ่อให้คนไข้ไปฟังนะม ไ, มไม่หายเลยเพราะมันมีสติรู้กายรู้ใจหายบ้าได้นะ แต่ถ้าเป็นโรคประสาทไม่ไหายนะโรคประสาทเป็นโรคทางร่างกายไม่ไหายต้องไปกินยางกินยาแต่แต่ถ้าเป็นโรคทางจิตใจถ้าจิตใจนีสติมีความรู้สึกตัวมีความตั้งมั่นมันหายมีบางคนมาชื่วยทำงา น, นอยู่ก็มีเป็นสิทธิ์เกา่าสีธันญาสิ ท, เ, สทเกา่เกาบ้านโซเด็จเลยก็เองอยู่ได้เขาอะไรเขาายอมรับความจริงได้ ถ้าเราอยอมรับความจริงที่รร ก, กรลังปรากฏต่อหน้าต่อตาได้ความทุกข์กจะหายไม่เยอเยถ้าเราอยอมรับความจริงที่ปรากฏต่อหน้าต่อตาไม่ได้ความทุกข์จะเพิงมเป็นเยเยความจริงที่ปรากฏต่อหน้าต่อตาเราต้องแก้เพ่ทุกวันความจริงให้ยอมรับได้จะไม่ทุกข์เพาความแก่ความจริงที่ป ร, กร า, ร า, รากฏขึ้ น, ก, น ก, ก, ก็คือเรามีความจเจ็บไข้เป็นธรรมดา ถ้าจิตใจยอมรับตรงนี้ได้เวลาเจ็บป่วยแล้วมันไม่กังวลไม่กรุ่มใจร่างกายมันป่วยใจไม่กรุ่มใจเจ็บก็เจ็บเฉพาะร่างกายนะใจจะไม่เดิอดร้อนด้วยเลยคนทัน่วๆไปที่ไม่มีศีลมีธรรมเวลาร่างกายเจ็บป่วยใจจะเจ็บป่วยไปด้วยเวลาทรัพย์สินเงินทองเสียหายใจก็เจ็บป่วยไปด้วยนะบ้านช่องเสียหายใจก็เจ็บป่วยคนรักทิ้งไปใจก็เจ็บป่วยไปด้วยคนรักทิ้งไปเห็นที่เกี่ยวกับจิตใจเลย ไ่เกี่ยวขึนมาเพราเขาไม่อยากร้ทิ้งอยากให้มันอยู่กับเรานานๆมีผู้หญิงหลายคนนะสามีทิ้งไปแล้วสามีทิ้งนั้ยเจ็บใจมากอยากให้กลับมาพพ้กลับมาเนี่นหน้าดาทุกพนเลยก็ชิดซ้ำอยู่นั่นแลาดาสุดท้ายมันต้นไม่ตกันทางมีไม่หยิบัลก็ยอมรับไม่ได้อยา่างสตีสามี นอกใจเนะี่ยเป็นคดีที่ไม่มีอายุความตลอดชีวิตนะตายไปแล้วเนะี่ยบางทีงานศพนะไปเจองานศพเพื่อนม า, าจะเล่าให้เพื่อฟังเพื่อนบอกเสียใจดรืยน้ำตาเมี่อเธอตายอ๋อไอแกนเหรอมันเป็นไปเจ้าชู้เนี่ยวันไม่มีอายุความจริงๆนะใจมันยอมรับไม่ได้แล้วเรามาเรียนรู้ความจริงของตายเรียนรู้ความจริงของใจเนะึ่ย เพ่อให้ใจมันยอมรับความจริงของกายของใจนั่นความจริงของร่างกายต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายความจริงของจิตใจน่นต้องพลัดพรากจากสิ่งที่รักต้องเจอสิ่งที่ไม่รักบ้างก็มีความอยากบ้าสมอยากบ้างไม่สมอยากมากนี่คือความจริงของชีวิตถ้ายอมรับได้ความทุกข์มันจะหายถ้ายอมรับไม่ได้ความทุกข์ก็มาปัญหาเป็นของคู่กับชีวิต ปัญหาทางร่างกายปัญหาครอบครัปัญหาเศรษฐกิจเป็นเรื่องธรรมดาของชีวิตแต่ความทุกข์เนี่ยเกิดจากเราไม่ยอมรับปัญหาเรายอมรับไม่ได้โดยเฉพาะปัญหาใหญ่เลยปัญหาที่เกี่ยวเนองกับร่างกาย จ, จิตใจเราเองเราต้องมาเรียนรู้ความจริงของกายของใจให้มากๆากคอยรู้สึกตัวร่างกายเคลื่อนไหวคอยรู้สึกจิตใจเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงคอยรู้สึกรู้สึกบ่อยๆ ถ้าเรารู้สึกได้บ่อยๆต่อใจมันยอมรับความจริงนะร่างกายมันก็อย่างนี้แหละทุกความทุกิีพันตลอดจิตใจก็อย่างนี้แหละมีแต่คของไม่เทีย่ยงสุขทุกข์ดีชั่วมีแต่ของไม่เทีย่ยงอะไรอะไรก็ไม่เทีย่ยงถ้าใจอยอมรับได้นะใจจะไม่ปฏิเสธสิ่งซึ่งกำลังากดอยูเฉพาะหน้าแต่ความแก่รากดใจไม่ปฏิเสธใจจะไม่ทุกข์ร่างกายมันแก่ใจไม่ทุกข์ ความเจ็บภายแน่ปวดเกิดขึ้นใจไม่ปฏิเสธใจจะไม่ทุกความตายเกิดขึ้นใจไม่ปฏิเสธใจจะไม่ทุกข์ถ้าใจปฏิเสธได้ไหมมันจะเป็นทุกข์ขึ้นหรือเราจะพลาดพลากับสิ่งที่รักยังประผสมกับสิ่งที่ไม่รักถ้าใจยอมรับนะใจยังทุกข์ใ้เห็นมันเป็นเรื่องธรรมดาจะต้องพลาดพลาดทุกคนจะต้องพลาดอันนี้เป็นเรื่องจริงไม่จาเป็นตัวจากตาย ไม่มีอยู่มันตลอดไม่มีฝรั่งนะั่นรู้ว่มันไทยนะส่วนลูกเศรษฐีรักใช่ไหมของเขาจบมัธยมไปแล้วส่วนลูกไทยนะจมันมีหลานนั้นยังขอตังค์พ่อแม่เลยมันจริงเมื่อนไมเพิ่งพลั้งพลาให้ดูอยากให้มันตั้ ง, งไม่ไปแต่สนใจนะทุกคนระลึกนะในห้องนี้ใครที่พ่อแม่ไปเลยนะครับ ตายหนึ่งคนสองคนได้แรกอนี่ยตอแรกยอมรับไม่ได้เสียใจใช่ไหมเราตายไปหลายๆทียอมรับได้ไม่เสียใจเฉยๆแค่ิดถึงแไม่เสียใจเรื่องพ่ออะไรก็ยอมลับได้ถ้ายอมรับได้นะทุสที่อยางที่ปรากฏนเราจะไม่ถูกหรอกยอมรับไม่ได้ก็ถูก ในกระบวนการสร้างปัญญาเราเป็นกระบว น, นการเรียนรู้ความจริงของกายขอใจเช่ยอมรับความจริงได้อยู่กับความจริงได้ยอมรับสัจจธรรมความจริงที่ว่าเราต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายต้องกล้ากากับสี่งที่ราต้องเจอสิ่งที่ไม่รักต้องสมหวังบ้างไม่สมหวบ้างนี่ย่งที่เรามาฝึกปฏิบัติธรรมนั้นใช่ฝึกสะกดจิตตัวเองนะ แต่ใกานเอาข้อเท็จจริงมาตีแพ่ให้จริตมันเรียนรู้ข้อเท็จริงของร่างกายข้อเท็จริงของจิตใจแล้วตัวนี้เป็นศูนย์กลางของทุกๆเรื่องถ้าปราศจากกายกับใจไปแล้วเรื่องอื่นไม่มีนยานยักเลยกายกับใจก็เป็นตัวเราเป็นศูนย์กลางของโลกของจักรวาลเลยเวลาเราทู่นหนึงรู้สึกไห ม, มบางทีเราก็เป็นนางเอกบางที่เราเป็นพระเอก น, น, นะ ทุกครงที่หน้าตาเราเป็นนอิจฉาชั่ๆชแต่ว่าทำไมเวลาเรามีเรื่องกคนอื่นเรารู้สึกไหมว่าเราเป็นไม่เองนั่นเอ ง, เอ ง, เองสวนใหญ่งยงรู้สึกอย่างนั้นคนอื่นด้ น, นั่งอิจฉาคนเป็นผู้ร้ายทำไมเราคิดอย่างงั้นเราเป็นศูนย์กลางเป็นศูนย์กลางมันต้นทางไหลมาเอาตั็เเป็นศูนย์กลางของจกักรวาลก็้ ถ้ามาเรียนรู้จนกระทั่งตัวกลางนี่เราไม่ยึดนะจะไม่ยึดอะไรในจกักรวาลอยูคือถ้าไม่ยึด ใ, ใ, ในใจในใจก็จะไม่มีสิ่งใดให้ยึดถืออีกถ้าไม่ได้ยึดถือในสิ่งใดเราจะไม่ทูกข์กับสิ่งนั้นถ้าเรารักใคร่ยึดถือในสิ่งใดเราจะทูกข์กับสิ่งนั้นนะรับ ก, กายเราทุกข์กไก่รักใจกระทุกับใจไปหักนะนะฟังวีดีโอไม่เข้าใจก็ไม่เป็นไรไปฟังซีดีด้วย ไอหลวนไฟเสียง ม, มีอะไรในหะ้ไปดูในอัมมัดคอมอนะัมัดคอม <c oughs> ม, <c oughs> มีมุติตัดเน็กมีไฟเสียงมีปีปโนมีอะไรไดูเยอนะแย <c oughs> ในเมืองไทยตอนนี CD น้สี่ีิบหกตีตลาดเดี๋ยวพวกค่าเปลีเท่าไหร่สู้หลวงพ่อไม่ได้ห คนฟาร์ซีทมาทั้งวันทั้งผืนเนี่ยมีเยอะมากเลยบางคนต้องขึ้นรเสียบเปิดล่าง่บ้าไแม่ฟังบ้ า, าเปิดไมเด็กนั่งรถไปด้วยมึนภาวนาเป็นนะอ้าแม่เปิดไม่ได้ด้วว่าจะฝึปฏิบัติตามหมวดนในโซน่อย่างนี้ลูกนั่งรถไปได้มันโด่งเป็นอย่างพ่อแม่โกรธจริงหรือเด็กก็บอกแม่นะแม่โกรธแล้ว ตัวจให้ร yeah ู mm ้ว่าปวดแย่มันแสบจริงถ้าแม่ฉลาดบางเวลามันอยากกินขนมอยากให้รู้ว่าอย่างคือแท้เงินพอจะเปลี่ยนกันทั้งบ้านตอนนั้นได้ยอะเลยนนี้ในเมืองไทยที่พอจะเปลี่นเกินน้เมตรท้ำเลยเดิมหากปฏิบัติธรรมเราแต่ย่างสองทิ้งสองทิ้งได้แต่ความสงบ ไม่ได้ปัญญาไปฟังซีดีนะโดพาว่าหลายคนในพวกนนะั้เพราะว่าเรามีชีวิตที่ใหม่เป็นคนใหม่ไม่ใช่คนเดิมเป็นคนใหม่ซึ่งความทุกข์สั้นลงความทุกข์น้อยลงมีความโปร่งล่องเบาในจิตใจมากขึ้นความทุกข์าหายไปบางคนเห็นร่างกายแยกออกไปตาจิตใจเป็นคนถู รางกายเดิมจิตใจเป็นคนดูร่ายนั่งจิตใจเป็นคนดูความสุขความทุกข์เกิดขึ้นก็เห็นในความสุขความทุกข์เป็นสิ่งที่แตกงปลอมเข้ามาจิตใจอยู่ต่างหาเป็นแค่คนดูดีชั่วทั้งหลายเป็นสิ่งแต่งปลอมจิตใจเป็นคนดูจิตใจเองก็เป็นของแต่งฝนเดี๋ยวก็เป็นคนดูเดี๋ยวก็เป็นคนชิดสลับไป้สลับมาคนที่ฝั่งซีดีนะว่านักเป็นนักไม่ท้วนนะ หลวงพอนะ่อมาเข้าวมาหลายสิบปีเมื่อสักสามสิบปีก่อนหลวงพ่อสอนเพื่อนอยู่กลุ่มนึงได้แค่สิบคนนะไม่รู้สึกตัวเป็นยังไม่ทันจะได้มากคนเลยนะแค่รู้สึกตัวเป็นเวลาไปาหานรูบาอาจารนยะ์นั้นเช่ารถตู้เลยเข้าไปในวัด บ, บางองค์นะที่จิต ท, ท่านใยๆท่านหันมามองฟ้าเลยถ้ามันมารวมตัวกันได้เยอะขนาดนี้เลย แค่รู้สึกตเป็นนนะมีเดียเองีนิเียแล้วค่อยๆค่อยๆดูรู้ไปตสีทีย